พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราค่อยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าเรากําลังปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่คอยถามคอยเตือนตัวเราเองเราจะลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับจิตใจของพวกเราก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะพาเราออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะ สอนให้เราได้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวเท่านั้นแล้วก็นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลก ถ้าเราไม่รีบขวนขวายไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็จะยังต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและเวลาที่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกเราก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็มีอายุไม่ยืนยาวนานมากสําหรับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้พระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครมาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอน ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เล็ดลอดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งหรือ ถ้าเป็นคนที่มีความขวนขวายคนที่มีความพยายามที่จะสร้างบุญบรารมีต่างๆก็อาจจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราะการปฏิบัติตามคําสอนนี้เป็นเหมือนกับการเดินทางบนถนนที่มีการสารวจและมีการสร้างให้ผู้ที่เดินทางบนถนนนี้ได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนผู้ที่บาเพ็ญบุญบรารมี เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองนี้เป็นเหมือนกับผู้ที่ต้องสำรวจหาทางและต้องสร้างทางด้วยตนเองการสำรวจก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายเพราะว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปนั้นไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนอยู่ทางไหน ต้องคลำไปเหมือนกับคนตาบอดกว่าจะได้พบเส้นทางและสร้างเส้นทางที่จะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้นั้นก็จะต้องใช้เวลาอันยาวนานพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ต้องสร้างบุญบา ร, รมีนี้มาเป็นกับกันถึงจะสามารถ หลุดออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่สำหรับพระอาหารหันตสาวก ค, คือผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ในระยะเวลาอันไม่ยาวนานเลยบางท่าน ก็บรรลุได้เวลาเจ็ดวันบางท่านก็เจดเดือนบางท่านก็เจดปีหรือบางท่านก็ภายในภายในชาตินี้ภายในชีวิตนี้อาจจะเกินเจ็ดปีแต่ก็ภายในพบนี้ชาตินี้สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะมีพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำทางนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้บำเพ็ญต่อให้ปฏิบัติมากเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะการปฏิบัตินี้จะไม่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองปฏิบัติแบบคนตาบอดคนตาบอดที่เดินทางไปตามลาพังนี้ โอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการจะไปได้นั้นแทบจะไม่มีเลยหรือมีก็น้อยมากไม่เหมือนกับคนตาบอดที่มีคนตาดีนําทางพวกเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดแต่พวกเราโชคดีที่ตอนนี้มีคนตาดีมีความเมตตาที่จะสละเวลามา าเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำทางมาสั่งมาสอนวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย พวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครอยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากันเพราะเวลาแก่แต่ละครั้งนี้มันไม่ดีมันไม่สุขเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งนี้มันไม่สุขเลยเวลาตายแต่ละครั้งนี้มันไม่สุขเลยพวกเราทุกคนจึงมีความปรารถนาเหมือนกันคือความปรารถนาที่ เราจะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกันนั่นเองแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะนำพาเราให้ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราควรจะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำกันเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเองตอนนี้เรายังมีเวลาเรายังสามารถ ศึกษ า, พ ร, าำำพระพธาารรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังสามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังสามารถบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาและปฏิบัติการที่เราจะ มีความขยันหมั่นเพียรก็อยู่ที่การที่เราจะต้องถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆควรจะถามทุกวันวันละหลายหลายครั้งว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราจะสั้นลงสั้นลงเรากำลังศึกษาเรากาลังปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เราทำทานกันอยู่เรื่อยๆให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์และให้เราบำเพ็ญจิตตะภาวนานี่คืองานที่พวกเราต้องทำกันถ้าจะต้องการความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่ทำ เราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้และไม่มีใครที่จะมาทำแทนเราได้ทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้ทำเองและเราต้องทำในขณะที่เรามีเวลาและมีกำลังวังชาที่จะกระทำถ้าเราไม่รีบทำ สังขารร่างกายของพวกเรานี้จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆและพอเวลาร่างกายชราภาพหรือมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวกง่ายได้แล้วถ้าเราตายไปโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะหมดไปและจะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่โอกาสอย่างนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสทองที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นรถไฟโดยสารก็เป็นรถไฟโดยสารขบวนสุดท้ายถ้าเราไม่รีบขึ้นไม่ตีตัวเราขึ้นไป นั่งบนรถเวลารถออกไปแล้วเราจะต้องเดินไปการเดินไปกับการนั่งอยู่ในรถไฟโดยสารนี้อย่างไหนจะง่ายกว่ากันให้เราคิดอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้สละหรือตัดภารกิจต่างๆ ที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องทำแต่ทำเพราะคิดว่าต้องทำแต่ความจริงแล้วภารกิจต่างๆนั้นไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับภารกิจการศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าภารกิจที่จำเป็นจะต้องทำนอกจากการศึกษาและการปฏิบัติ ก็คือการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเพราะว่าเรายังต้องมีร่างกายนี้ไว้ในการปฏิบัติถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ดังนั้นภารกิจนอกเหนือจากการศึกษากับการปฏิบัติก็คือภารกิจของการเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายนี้ ส่วนภารกิจอย่างอื่นนั้นไม่ถือว่าเป็นภารกิจไม่ถือว่าควรจะทำไม่ควรจะทำทำไปก็ประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับการที่เรามาทําภารกิจทั้งสองส่วนนี้คือดูแลรักษาอัตภาพร่างกายหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มมา ดูแลรักษาร่างกายพอเรามีปัจจัยสี่สำหรับร่างกายพอเพียงแล้วเราก็หยุดหาได้แล้วก็จะได้เอาเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรนี้มาบำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมาภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นนี้ท่านตัดไปหมดคือการทามาหาเกินการการหาทรัพยาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ท่านไม่เสียเวลาไปกับการหาสิ่งเหล่านี้เพราะท่านเห็นว่าผลที่ไดจากการหา สิ่งเหล่านี้นั้นมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กิจกรรมเหล่านี้ท่านจึงตัดไปท่านมาทำกิจกรรมสองกิจกรรมที่จำเป็นก็คือท่านออกบวชกันออกบวชแล้วก็มาอาศัยการบินทบาทเป็นการเลี้ยงชีพหาสถานที่ในป่าในเขาเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างเป็นสถานที่อยู่ของผู้ที่บำเพ็ญ <c oughs> ภารกิจที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเสือ้อผ้าเครื่องนุง่งห่มท่านก็หาโดยหาตามกองขยะ หาในป่าชา้าคือเศษผ้าที่ทิ้งตามกองกองขยะก็ดีหรือผ้าหอ่อศพท่านก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาสะสมเอาไว้พอได้ปรยมาณพอต่อการมาตัดเย็บให้เป็นผ้าหม่มผ้านุ่งท่านก็จะทำแล้วก็จะทำไม่มากเกินไปทำพอให้ พอเพียงต่อตามต้องการก็คือมีผ้านุ่งหนึ่งผืนมีผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนมีสามผืนนี้ท่านก็พอแล้วสําหรับเครื่องนุ่งหม่มส่วนยารักษาโรคท่านก็รักษาไปตามตามมีตามเกิดถ้ามียาสมุนไพร ก็ใช้ไปถ้าไม่มีก็มีการเดิมน้ำปัสสาวะเรียกว่ายาดองน้ำมูดอันนี้ก็พอที่จะรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปได้ท่านไม่ได้มาเสียเวลามากจนเกินไปกับการหาปัจจัยสี่เพราะท่านต้องการทุ่มเทเวลา ให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดุจพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่ถึงจะสามารถบรรลุได้ในเวลาอันสั้นถ้าไม่ทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่มันก็จะยืดออกไปนาน และอาจจะไม่ทันกับเวลาเพราะชีวิตของเราแต่ละคนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่ได้นานสักเพียงไรพอเดานี้มีตายได้ทุกเวลาทุกอายุบางคนเกิดมาได้วันเดียวหรือไม่ถึงวันก็ตายบางวันก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งบางคนก็อยู่ได้เดือนนึง บางคนก็อยู่ได้ปีหนึ่งบางคนก็อยู่ได้สองสามปีห้าปีสิบปีมีการได้มีการตายได้ทุกอายุไขไม่ได้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะอยู่ไปถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีเสมอไปดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่จึงต้องรีบขวนขวายอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไป โดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือตัวอย่างที่พวกเราควรที่จะเอามาเป็นแบบฉบับนะคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสามกนะคำว่าบุตทางสรณังกัจามิสังคังสรณังกัจามินี้ก็คือให้เราดู ความประพฤติดูการปฏิบัติของท่านดูการกินอยู่ของท่านว่าท่านอยู่อย่างไรกินอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงทําให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทําให้ท่านได้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาทําให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดขึ้นมาท่านทําอย่างไรถ้าเราทําอย่างนั้น เราก็จะได้ผลอย่างเดียวกับที่ท่านได้อย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี้มันเป็นของที่ตายตัวเหมือนกับการปลูกผลไม้ต่างๆถ้าเราปลูกกล้วยเราก็จะได้ผลกล้วยถ้าเราปลูกส้มเราก็ต้องได้ผลส้ม อย่ใดถ้าเราบําเพ็ญตามแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บําเพ็ญกันเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนไม่มีความแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเหตุและผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตการอันยาวนานในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีเหตุอย่างนี้และมีผลอย่างนี้ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการก็มีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ในปัจจุบันก็มีเหตุอย่างนี้และมีผลอย่างนี้ยังมีพระ อ, อรหันต์ปรากฏให้พวกเราได้ เอามาถือเป็นสระนะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างอยู่เรื่อยๆคูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบวาดบูชาคารพนับถือที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เจริญเหตุอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายในอดีตได้เจริญได้บำเพ็ญกันท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวก อยู่ที่เหตุอยู่ที่การบําเพ็ญ น, นี้เองอยู่ที่การศึกษาก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องศึกษาก่อนการศึกษานี้เปลี่ยนเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เราจะเดินทางไปไหนที่เราไม่เคยไปเราต้องหาแผนที่มาเปิดดูดูว่าจากบ้านเราเนี้เราต้องวิ่งไปบนถนนเส้นไหน ถึงจะทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่ดูแผนที่แล้วเราขับรถไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราถึงสียยากก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตาม ค, ความคิดของเราว่าน่าจะไปทางนี้นะน่าจะไปทางนั้นนะถ้าขับแบบนี้เดินทางแบบนี้ จะไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะความรู้สึกนิกคิดของเรานี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงหนทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองแต่ถ้าเราได้ดูแผนที่เราก็จะรู้ว่าเมื่อเรามาถึงสี่แยกนี้เราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปแล้วพอวิ่งไปอีกพอเจอทางแยกอีก เราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องแยกไปทางไหนเพราะเราจะคอยเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆถ้ามีการดูแผนที่ไปเรื่อยๆและมีการเดินทางไปเรื่อยๆไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้จะไม่มีวันหลงทางนี่คือความสำคัญของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ศึกษาเลยเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไรหลังเราอาจจะทำสิ่งที่ควรจะไม่ทำก่อนเราไปทาสิ่งที่ไม่ไปสิ่งไปทาในสิ่งต้องที่จะต้องทาทีหลังทาไปแล้วก็ไม่ได้เกิดผลขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ถูกขั้นตอนนั่นเองดังนั้นเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่เรื่อยๆทั้งในขณะร่มต้นของการปฏิบัติและในขณะที่ปฏิบัติแล้วก็ต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าทางที่เราเดินทางไปนี้มันมีมีทางแยกหลายทางเพราะเราถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเปิดแผนที่ดูเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความไม่ ไม่ให้เสียเวลาไม่ให้ไปหลงทางเราต้องคอยเปิดแผนที่การฟังเทศฟังธรรมหรือการดูหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นการเหมือนกับการเปิดดูแผนที่การเปิดดูแผนที่ที่ดีที่สุดก็คือการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าเราเปิดหนังสือธรรมะอ่านดู บางทีมันไม่ตรงกับจุดที่เรายือนอยู่จุดที่เรากำลังจะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเราได้ศึกษาจากผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ไปถึงจุดหมายปลายทางมาแล้วท่านจะรู้ว่าเราอยู่อยู่ที่จุดไหนแล้วท่านก็จะป้อนธรรมะที่เหมาะสมให้กับเรา หรือไม่เช่นนั้นเราก็สามารถถามทำได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อไปถ้าเรามีความลังเลสงสัยว่าทางที่เรากำลังไปนี้ถูกหรือไม่ถ้าเรามีผู้รู้ผู้ดีได้ไปถึงแล้วมาเป็นผู้สอนผู้บอกเราเราก็จะได้เดินทางไปได้อย่างถูกต้อง จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจะไม่ต้องเสียเวลาหลงทางเพราะว่ามีการบอกเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเวลาที่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์นี้เวลาที่ท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ เป็นเหมือนกับเปิดแสงสว่างในที่มืดทำให้เราเห็นว่าตอนนี้เราเดินไปถึงตรงไหนแล้วถึงจุดที่เราอยู่ในทางที่เราควรจะอยู่หรือไม่นี่คือเรื่องของการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีโอกาสได้อยู่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริง สิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือคำสอนของท่านที่ได้มีการจะจะลึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีเราก็ต้องอาศัยอย่างนี้ไปแต่ก็สู้กับการที่ได้ไปสนธนาธรรมหรือฟังธรรมจากท่านโดยตรงไม่ได้เพราะว่าถ้าฟังแล้วยังเกิดความ ไม่เข้าใจในส่วนไหนเราก็ยังสามารถที่จะถามได้ถ้าฟังจากแผ่นซีดีหรือจากการอ่านหนังสือเวลามีคำถามมีความไม่เข้าใจขึ้นมาก็จะไม่สามารถถามได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างหนังสือกับ กับตัวครูบาอาจารย์เองอย่างไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันอ่านพระไตรปิฎกกับการที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้อย่างไหนจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็พอที่จะนําพาเราไป ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่อาจจะช้าหน่อยและเราต้องขยันหน่อยคือต้องอ่านมากมากต้องศึกษามากมากถ้าเราอ่านไม่ครบถ้วนเราก็อาจจะยังไม่เห็นภาพของทางที่เราจะเดินไปได้อย่างชัดเจนเราก็ยังอาจจะไปไม่ถึงได้ดังนั้นเราก็ต้องคอยศึกษาอยู่เรื่อย การศึกษาและการปฏิบัตินี่เป็นของที่เราสามารถปฏิกระทาได้ควบคู่กันไปคือวันหนึ่งเราก็อาจจะอาจ่านหนังสือหรือฟังธรรมสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่หลงทางเราจะอยู่ในทางที่จะพาให้เรา ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะบำเพ็ญควรที่จะปฏิบัติกันเราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการหาความสุขดับความทุกข์ด้วยการจเจริญราบยศสรรเสริญสุขกันเพราะว่าดับความทุกข์ก็ดับได้เพียงชั่วคราว เป็นความสุขชั่วคราวในขณะที่เราได้สัมผัสแล้วเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์ใหม่ก็จะกลับคืนจะความทุกข์เก่านั้นก็จะกลับโผล่ขึ้นมาใหม่เ่าให้เราหาได้มากน้อยเพียงไรในเรื่องของลาบยศสลรเสริญในเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกรือกายความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไป การที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีวันหมดไปจึงอย่าไปเสียเวลากับการหาลาบยศสรรเสริญสุขกันเลยให้มาหาความสุขจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมกันเถิดสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนก็สอนให้เราทำทานถ้าเรายังอยู่ในฐานะที่ทำทานได้คือถ้าเรามีทรัพย์มากเกิน ความจาเป็นก็อย่าเก็บเอาไว้เพราะจะทำให้เราต้องเสียเวลากับการดูแลรักษาและอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของคู่ต่อสู้ของพวกเราคือกิเลสตัณหาจะมาหลอกให้เราใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราจะทำให้เราเสียเวลาหมดเวลาไปกับการหาความสุขจากการใช้เงินทอง ซื้อสิ่งต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเวลาที่เราจะเอามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็จะถูกแย่งไปรเราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากาลังจะไปเที่ยวเราก็จะได้หยุดเพราะเราต้องมา ศึกษามาปฏิบัติทำถ้าเราไม่ถามตัวเราเองเราก็จะลืมพอเราถูกความหลงความอยากความโลภหลอกเราเราก็เหมือนถูกสะกดจิตลืมภารกิจหน้าที่อันสำคัญของเราเหมือนกับเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่คอยเตือนคอยสอนเดี๋ยวเด็กก็จะไปเล่นกันแทนที่จะมาทาการบ้านมาอ่านหนังสือ ก็จะไปเล่นกันถ้ามีเด็กอยู่ด้วยกันหลายคนเดี๋ยวพอเจอกันนี้ก็จะชวนเล่นกันไม่มีเด็กคนไหนที่จะชวนกันไปอ่านหนังสือไปทำการบ้านกันฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนเด็กๆที่ชอบเล่นกันชอบเที่ยวกันชอบหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะกัน ถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่มาคอยเตือนใจเรามาคอยบอกเราว่าอย่าไปเล่นกันอย่าไปเที่ยวกันให้มาเรียนหนังสือให้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มาปฏิบัติธรรมกันเราก็จะไม่มีใครดึงมาถ้าเราได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ตามวัดวาเราก็จะมีครูบาอาจารย์นี่แหละที่จะคอยดึงให้เรา เข้าสู่การปฏิบัติกันเพราะว่าถึงแม้อยู่ในวัดนี้ก็ยังมีงานที่จะมาหลอกให้เราไปทำได้งานเล็กๆรายน้อยเกี่ยวกับเรื่องของบริคารต่า ง, างๆเช่นาบาทาหรือจีวร อ, อะไรเหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยอปราไว้บางทีพระเองก็จะไปเสียเวลากับการ หาบาทลูกใหม่เสียเวลากับการตัดเย็บจีวรเสียเวลากับการทำเชิงบาททำอะไรต่างๆแทนที่จะเอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาภาวนากันก็จะมาทำงานที่ไม่เป็นประโยชน์แต่เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะคอยเดินตรวจตราวัดว่าอยู่ตลอดเวลาวันละสองสามเที่ยวนะ จะเดินไปตามกุฏิต่างๆ ต, ตามสถานที่ต่างๆในวัดในศาลาในที่ดื่มน้ําปานะเพราะบางทีก็จะมีพระในบางรูปก็จะแอบมาดื่มน้ําปานะในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ดื่มแต่ความอยากอยากจะดื่มกันหรือบางทีก็ ขนกันไปเก็บไว้ที่กุฏิแล้วก็ไปนั่งเดิมไปนั่งคุยกันต่างกุฏินี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านต้องคอยสอดส่องดูพระเนนที่อยู่ในวัดว่ากําลังทําอะไรกันอยู่กําลังภาวนากําลังปฏิบัติธรรมกันอยู่หรือว่ากําลังเดิมน้ําชากาแฟกําลังสนทนาคุยกันแบบาทางโลก หรือว่าทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะกระทากันนี่คือเรื่องของจิตของผู้ที่ยังไม่ได้หลักไม่ได้เกณฑ์จิตจะทะเลาไหลจะชอบออกไปข้างนอกจะไม่ชอบเข้าข้างในแต่สาหรับจิตที่ได้เข้าข้างในแล้วนี้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยดักมาคอยเตือนเพราะว่าเมื่อจิตได้เข้าข้างในแล้วจิตจะเห็นคุณค่า ของการที่ได้เข้าสู่ข้างในเพราะเวลาจิตเข้าข้างในนี้จิตจะสงบจิตจะมีความสุขมากแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงต้องปฏิบัติทำไมถึงต้องปีกวิเวกททำไมถึงต้องไม่คลุกคลีกับใครทำไมถึงไม่ต้องทำภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นเพราะว่า ผลที่ได้รับมันแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองผลที่ได้รับคือความสุขจากการดึงใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความสงบนี้เป็นผลที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่จะได้รับจากการกระทำอะไรต่างๆนั่นเองถ้าจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้วนี้จิตจะเริ่มมีหลักมีเกณฑ์จะรู้จากหน้าที่ของตนจะไม่ทะเละไหล ไปทำกิจที่มันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการภาวนาดึงใจให้เข้าสู่ข้างในแล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาของพ่อพัธเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทุกขสมุทัยนิโรธมากมาศึกษาวิชา ความรู้เหล่านี้ดีกว่าเพราะจะเป็นความรู้ที่จะมาตัดเชื้อของภพของชาติให้หมดไปนั่นเองเชื้อของภพของชาติก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือการมักตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถะะคือการอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากนั่นเรียกว่าการมักตัณหาแล้วก็ ภาวะตันหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องเดินลนต้องขวนขวายต้องออกไปข้างนอกใจถ้าใจออกไปข้างนอกใจก็จะไปเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าใจอยู่ข้างในใจก็จะไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายถึงต้องกําจัดกามรรติหาภวตันหาแล้วก็วิภวตันหาวิภวตันหาก็คือความอยากไม่ได้สิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ความอยากให้คนนั้นคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภวตันหา ถ้ามีแล้วก็จะทําให้ใจแขว่งทําให้ใจต้องดิ้นรนทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจไม่นิ่งเมื่อใจไม่สงบใจไม่นิ่งใจก็ต้องไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกาย น, นี้ตายไปใจก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นเองจึงต้องเจริญ สมถะภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาเพื่อที่จะทําลายภพของของชาติของการเวียนว่ายตายเชื้อของภพของชาติของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่คือเป้าหมายของการบําเพ็ญจิตตภาวนา อยู่ตรงนี้อยู่ที่ทำลายเชื้อของภพของชาติให้สิ้นซากไปจากใจให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีกามตัณหาภวะตัณหาและวิพันวะวิภาวะตัณหาอยู่ภายในใจแล้วภพชาติจะไม่มีอีกต่อไปนั่นแหละคือใจของพระพุทธเ จ, จา้าละใจของพระอาหารหันตสาวกท่านบำเพ็ญก็เพื่อที่จะกาจัด กามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี้เองและเมื่อท่านกําจัดได้หมดแล้วจิตของท่านก็บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ไม่ปราศจากเชื้อของภพชาติต่างๆท่านจึงไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคืองานของพวกเราหน้าที่ของพวกเรา เพราะว่าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันทุกคนไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บและไม่มีใครอยากจะตายกันวิธีที่จะทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือต้องไม่กลับมาเกิดนั่นเองและการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องไม่มีความอยากไม่มีกามตัณหาไม่มีภวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหาเท่านั้น ถึงจะทําทให้เราไม่กลับมาเกิดตราบใดที่เรายังมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เองวิธีปฏิบัติเราจึงต้องคอยดูที่ตรงนี้นั่นเองดูว่าตอนนี้เรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่ายังมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีเราก็ต้อง จเจริญสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาต่อไปต้องทำใจให้สงบเพื่อเพื่อกดความอยากตั้งสามนี้ไว้ก่อนให้มันอ่อนกำลังลงไปแล้วเวลามันโผล่ขึ้นมาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอมันโผล่ขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาคือให้พิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากได้ ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวและเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วก็จะต้องหมดไปเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาหมดไปก็จะมีความทุกข์ดังนั้นการกระทาตามความอยากทุกครั้งนี้ จะเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์กันไม่ได้เป็นการเดินเข้าหาความสุขเป็นการเดินเข้าหาการเกิดแก่เจ็บตายกันไม่ได้เป็นการเดินออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยใช้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นความอยากต่างๆนั้นถูกกด ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้เหมือนกับหญ้าที่ถูกก้อนหินทับเอาไว้หญ้าจะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่เวลายกก้อนหินออกไปเดี๋ยวหญ้าได้ได้น้ำได้อะไรก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะไม่ให้หญ้านี่โผล่ขึ้นมาเลยหลังจากที่เอาหินออกแล้วก็ต้องถอน ถอนหญ้าถอนทั้งรากเลยถอนออกมาให้หมดถ้าไม่มีรากแล้วย่าก็จะไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาได้ฉันใดถ้าต้องการกำจัดความอยากอย่างถาวอนก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นต้องเห็นใตรักต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องใช้ใตรักต้องใช้อริยสัจสี่เท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดตัณหาทั้งสามได้ และเราต้องหมั่นเจริญปัญญาหมั่นพิจารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆดูให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสรับรู้นี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาวรมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันดับไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมไปเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดเป็นของเราได้ตลอด เราจึงเรียกมันว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังมีเกิดมีดับเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งให้อยู่กับเราไม่ได้ห้ามไม่ให้จากเราไปไม่ได้ถ้าเกิดความอยากให้มันอยู่อยากให้มันไม่จากเราไปก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกขังก็คือทุกในอริยรรสัจสี่นี่เองทุกที่เกิดจาก สมุทัยสมุทยก็คือความอยากนี้เองแล้วถ้าต้องการที่จะไม่ให้มีความทุกข์ก็ต้องยอมรับหรือต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอยากไม่ได้อยากให้มันไม่เสื่อมไม่ได้อยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้เพราะมันเป็นของที่จะต้องเสื่อมเป็นของที่จะต้องหมดไปพอเราเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาเราก็จะหยุดตันหาได้หยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้หยุดความทุกข์หยุดความอยากได้ก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องบําเพ็ญต้องปฏิบัติกันและการที่เราจะบําเพ็ญและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็จะต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆนั่นเอง แลการที่เราจะได้อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆก็อยู่ที่ว่าเราต้องคอยเตือนตัวเราเองถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆวันละหลายหลายครั้งว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ถ้าเราไม่ได้ทาเราก็จะได้รีบกลับมาทากัน ถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะได้หยุดมันเช่นเรากำลังไปเที่ยวเราก็หยุดมันเลยพอนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเตือนให้เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันพอเรากำลังเที่ยวอยู่นี้เราก็จะหยุดได้ทันทีเลยเดี๋ยวลถกลับเลยแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปวัดเลยหรือไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ที่สงบที่วิเวกเนี่ยที่ป่าสจา๊ะ สิ่งต่างๆที่มาคอยรบกวนใจนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆจะทําให้เราไม่หลงไม่ลืมภารกิจที่สําคัญทําให้เราไม่ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าที่นา น, านาจปาที่เราจะได้สักครั้งหนึ่งก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา หน้าการมีเวลาที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่หายากมากแต่ถ้าเราไม่คอยเตือนใจเราไม่คอยถามตัวเราเองเราจะลืมคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เราจะลืมคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราจะลืมคุณค่าของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่เรา ที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าได้และเราจะเริ่มคุณค่าของชีวิตของเราว่าชีวิตของเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้นั้นมีไว้สำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านจงพยายามทดสอบหรือสอบถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราคอยถามอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่ลืมภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญ ที่นานๆที่เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่งคือเวลาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมาได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ ให้ท่านได้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริวลเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโต้ินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัเพปเรนตุสังกปาจันทุปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตาาโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทนสีลิะนิจังวุธาปจายิโนจัตโารโธรรมวทานติอายุวโนโสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหา ท่านที่มีความสงสัยหรือมีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้ตอนที่เราเปิดไมโครโฟนพราะเวลาที่เราไม่ได้เปิดไมโครโฟนล้วก็จะไม่ตอบปัญหาขอความกรุณาถามตอนนี้เลยเชิญถามได้ กลับในมันสการพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์ให้การบ้านไปคือไ ป, ไปนั่งเอาชนะความอยากให้ได้หกชั่วโมงอะคะ่ะโดยที่คือนั่งแล้วไม่ให้ไม่ให้ลุกไปทำอย่างอื่นนอกจากเข้าห้องน้ำนะคะ่ะก็คือทำทำได้ในช่วง4วันนี้ก็เลยกลับไปทาดูก็ได้ประมาณสองครั้งนะคะโดยที่อ่าก็คือเปลี่ยนท่าช่ว ง, รงแรกๆก็คือเปลี่ยนท่าสักประมาณ ยี่ิบนาทีสามสินาทีครั้งแต่ว่าพอหลังๆก็จะบ่อยอขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลุกยืนนอกจากไปเข้าห้องน้าค่ะเลยจะขอการบ้านพรอาจารย์ต่อค่ะก็ทำไปเรื่อยๆทำเพิ่มเวลามากขึ้นก็ได้คือขอให้ดูผลว่าความอยากของเรามันมันกำลังอ่อนลงไปหรือเปล่าเรามีกำลังมากขึ้นที่จะต้านความอยากต่างๆได้ดีขึ้นหรือเปล่า แล้วถ้าเราจะนั่งเฉยๆแล้วจเจริญสติไปด้วยก็ยิ่งดีใหญ่คือถ้าภาวนาได้ก็ภาวนาไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ดูไปพุทโธไปก็ได้ให้ใจสงบถ้าไม่มีกําลังที่จะภาวนาก็นั่งเฉยๆไปมันจะคิดบ้างก็ปล่อยมันคิดไปบ้างแต่เราจะไม่ไปทําตามความคิดก็แล้วกัน คิดอยากจะลุกคิดอยากจะไปทําอะไรเราก็ไม่ทําอย่างน้อยเราก็มีเหมือนมีคอกไว้คอยกั้นความอยากไม่ให้มันพาเราไปเตลิดเปิดเปิงไปตามศูนย์การค้าไปตามแหล่งบันเทิงไปตามสถานท่องเที่ยวต่างๆที่เวลากลับมาแล้วก็จะฟกช้าดําเขียวไปเที่ยวก็สนุกสนานไปเหมือนไก่บิน เวลากลับเหมือนหากินหน้าความหน้าหยิบหน้างองเวลาเข้าบ้านนี่เราก็ล้อมคอมันไว้ขังมันไว้ไม่ให้มันออกนอกบ้านให้มันอยู่ในบ้าน้วยในสถานที่ที่เรากำจัดยิ่งคอยยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตันหาความอยากนี่มันจะกําลังมันจะอ่อนลงไปแล้วมันจะทำให้เรามีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไม่สามารถยับยั้งความอยากต่างๆได้มันก็จะหลอกให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นฉะนั้นก็พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำให้มันสงบด้วยยา้ยิ่งดีคือควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือ ว, ว่าดูลมหายใจเข้าออกในขณะที่เรานั่งไป หรือเราจะสลับกับการพิจารณาทางปัญญาก็ได้เจนพิจารณาอ น, นิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขสิ่งทุกอย่างที่เราเข้ามาสัมผัสรอบรู้เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฝึกมองทุกอย่างว่าเป็นอ น, นิจจงมองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาให้มันติดเป็นนิสัยแล้วเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ถ้าเราจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปอทําสลับกันไปอย่างเนี้ยอขณะที่เราควบคุมบงังคับให้นั่งอยู่อทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่ายไปทําอะไรค่นะอาจารย์ขอพระคุณค่ะกลับนล้วมาสการพระอาจารย์ค่ะเวลาที่เราเออ่ อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราใช้วิธีการเจริญสติด้วยการออท่องพุโทโธเราถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราสลับไปดูกายหรือว่าถ้าเราตอนที่เคลื่อนไหวร่างกายให้เราเจริญสติพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างเดียวอันไหนมันจะดีกว่ากันคะคือมันก็เป็นวิธีเจริญสติได้ทั้งสองอย่างเราเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก็เป็นการเจริญสติที่เรียกว่ากายกตาสติหรือถ้าเราบริกรรมพุทธโธไปก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติก็เป็นวิธีเจริญสติเหมือนกันคือเราต้องการควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรคอยยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เดี๋ยวก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอยากเกิดความคุ้งซ่านต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามี สติตั้งอยู่กับร่างกายหรือตั้งอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มันก็จะไม่เกิดความอยากเกิดความฟุง้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆใจเราก็จะเย็นจะสบายและเวลาเรานั่งแล้วหลับตาเราก็ดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธต่อไปจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้ เั้นจะใช้แบบไหนก็ได้เปลี่ยนได้ถ้าเราถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยหรือมันเหนื่อยอยากจะหยุดบริกรรมอยากจะดูเฉยๆก็ดูดู่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นก็ให้ดูอยู่อย่างนั้นไปนอกจากว่าเจ็ดเริ่มลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องอาศัยคำบริกรรมดึงกลับมา เพราะคำบริกรรมนี้จะมีกำลังมากกว่าถ้าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอที่จะหยุดมันได้เราก็อาจจะต้องอาศัยคำบริกรรมเดึนกลับมาก็ได้ขอให้ดูตรงความคิดว่ากำลังคิดอยู่หรือไม่ถ้าคิดเราต้องมีสติหยุดมันให้ได้ถ้าไม่คิดเราก็สักแต่ว่ารู้ไปก็ได้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดก็รักษาความความว่าง ความป่าเถื่ความคิดนั้นไว้โดยการ <c oughs> ดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรก็ดูมันไปหรือถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็ดูอาการสาสิบสองของร่างกายก็ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องชื่อมันไปก่อนก็ได้สาสิบสองอาการท่องได้แล้วขั้นต่อไปก็ดูดูแต่ละอาการว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหน หนังเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนเนื้อเอ็นกระดูกมีรูมล่างลักษณะอย่างไรเนี่ยก็เป็นการเจริญสติควบคู่กับการเจริญปัญญาไปด้วยเรียกว่าสติปัญญาเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองนี้เท่านั้นเองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญญาและจะทาให้เราปล่อยวางร่างกายได้ ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากร่างกายนี้ไปก็สามารถทำได้ด้วยสลับกันไปถ้าไม่นั่งนะถ้าเวลานั่งก็ควรจะทำใจให้รวมให้ได้ก่อนนั่งแล้วหลับตาก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวก็ได้บางคนชอบผสมสองอย่างก็ได้ดูลมแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้ แล้วแต่จะหลุดเนี่ยขอให้ดูที่ว่าความสบายอยู่ตรงไหนบางคนสบายอย่างเดียวก็เอาอย่างเดียวบางคนสบายสองอย่างก็เอาสองอย่างข็อเป้าหมายก็คือให้จิตสงบไม่ให้คิดตรุงแต่งเข้าใจไหมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ คือโยมมีคําถามจะสอบถามแล้วค่ะคือว่าคือว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเออมันจะมีอาการกระตุกของร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ง่วงนะคะหลังๆนี้จะเป็นบ่อยอะคะ่ะบางครั้งกระตุกแรงบางครั้งก็กระตุกไม่แรงอะคะ่ะแต่เรารู้ว่ามีการกระตุกอะคะ่ะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรหรือว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรคะคือถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี้ <c oughs> เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันก็ได้ ขอให้เรามีสติอยู่กับการภาวนาของเราไปเพราะบางทีร่างกายมันก็อาจจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาบ้างถ้ามันไม่มีความเสียหายหเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจมัมันให้สนใจอยู่กับการภาวนาเพราะมันอาจจะเป็นเขาเรียกกิเลสสมาน ม, มีตัวจะมาคอยดึงใจให้เราไป อ, ออกจากการภาวนาให้ไปสนใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แทน แล้วการภาวนาของเราก็จะล้มเหลวเ <Okay. S 2> น้นเวลาเราภาวนานี้เวลาเราเริ่มต้นภาวนาเราทำการเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นปกติ <Okay. S 2> มันจะเวลาภาวนาไปมันจะมีอาการอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันบางทีบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั่งแล้วเอ็นไปทางข้างซ้ายบ้างเอ็นไปข้างขวาบ้างก็พยายามจะมาปรับให้มันเอ็นกลับกลับมาตรงกลาง ซึ่งความจริงมันเป็นเพียงความรู้สึกก็ได้มันก็จะทำให้เราแทนที่จะภาวนาก็ต้องคอยมาคอยปรับท่าของร่างกายอยู่เรื่อยๆก็จะไม่ได้ผลที่เกิดจากการภาวนา ใ, ในเวลาเรานั่งแล้วเรานั่งนั่งในท่าที่ถูกแล้วที่ดีแล้วเราก็ปล่อยมันไปเลยถ้าจะรู้สึกว่ามันจะเอ็นบ้างไปข้างหน้าข้างหลังบ้างก็ชั่งหัวมันอย่าไปนสนใจ ถ้าอยู่กับการภ า, าวนาถ้าอยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้วไม่งั้นจิตเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะมัวมาพาวกรวจกับเรื่องของร่างกาย <Okay. S 1> แล้วก็โยมอยากจะสอบถามอีกข้อนึ่งเจ้าค่ะสมมุติว่าเราเกิดมีความโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้ากําลังของจิตมันเข้มแข็งคือเราไม่ได้ใช้ความคิดในการดับความโกรธใช่ไหมคะ คือความโกรธนี่ก็สามารถดับได้หลายวิธีด้วยกันถ้าเรามีสติที่แก่ก้าวพอเรารู้ว่าโกรธล้วก็หยุดมันได้แต่การหยุดด้วยสตินี่มันจะเป็นการหยุดได้ชั่วคราวเพราะมันยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของความโกรธถ้าอยากจะถอนรากถอนโคนคือให้ความโกรธนี้หายไปเลยเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเกศต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละ พอเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธเลยจะเสียใจ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เราก็จะไม่โกรธจะไม่เสียใจเอานถ้าเราไม่อยากจะโกรธเลยเราก็ต้องตัดความอยากต่างๆไป <Okay. S 1> แล้วต่อไปเราจะไม่โกรธใคร <Okay. S 1> ก็มีสองวิธีวิธีชั่วคราวก็ใช้สติพอเรารู้ว่าเราโกรธเราก็หยุดมันปั๊บ หยุดได้มันก็มันก็หมดไปถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องเพิ่มกำลังสติเช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไป <Okay. S 1> อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธดัืคนที่เราโกรธให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปสักระยะหนึ่งไม่นานความโกรธนั้นก็จะหายไป <Okay. S 1> แต่ถ้าเรากลับไปคิดใหม่มันก็จะโกรธขึ้นมาใหม่ได้เราก็ต้องหยุดมันใหม่ <Okay. S 1> ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปเลยก็คือเราก็อย่าไปอยากกับคนนั้นก็แล้วกัน คนนั้นก็จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ช่างเขาปล่อยเขาทำไปแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาเลยต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหากตายไปแล้วมีทรัพย์สินเงินทองเหลืออยู่ตกเป็นมรดกแก่ญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นการทําทานหรือไม่ผู้ตายจะได้รับอานิสง์ผลบุญหรือไม่คะไม่ได้หรอกต้องให้ตอนที่ยังอยู่อย่างตอนเนี้ที่ญาติโยมมาทําบุญตอนนี้โยมทำน่าไหลก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าตายนี่เหมือนเหมือนถูกบังคับให้ทําถ้าถูกบังคับให้ทําแล้วไม่ได้บุญต้องทําด้วยความสมัครใจต้องทําด้วยความอยากทําเพราะมันจะได้ตัดอุปทานความยึดติดใน ส, สมบัติเข้าของเงินทอง การทําบุญทําทานนี้เพื่อตัดอุปทานความยึดความติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นเหตุทําให้เราทุกข์หรือเป็นเหตุให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันยันต้องให้ก่อนที่เราตายเพราะตายไปแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ให้แล้วมันเป็นของคนอื่นไปจะให้ไม่ให้มันก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีคําถามต่อไปจากคุณกหนกพรข้อแรกทําอย่างไรดีฉันจะพิจารณา และระลึกได้ว่าร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งปฏิกูลค่ะก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่องๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปเลยพิจารณาจนาากระทั่งมันไม่ลืมเมื่อมันไม่ลืมแล้วเราก็หยุดพิจารณาได้ข้อที่สองมารดาดิฉันอายุ80ปีเป็นโรคพาร์กิงสัน อยากให้ชาติหน้ามารดาไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์จึงสวดมนต์ผู้ธรรมมะให้ฟังทุกเช้าพาไปตักบาดด้วยมือท่านเองแต่ก็ยังรู้สึกว่าท่านยังขาดสติและสมาธิจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทําให้ชาติหน้าท่านไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ได้สําเร็จคะคือเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราไปเกิดเป็นเทพได้ก็ อ, อยู่ที่การทําทานกับการรักษาศีลห้า เราต้องมีทั้งสองส่วนต้องทำทานให้มากๆแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นะแล้วเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยคำถามต่อไปจากคุณล่มเย็นข้อแรกดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกอาทิตย์พอไม่ได้ไป ใจก็จะจดจอนึกถึงสถานที่ที่เคยไปปฏิบททัติธรรมสิ่งที่ดิฉันจะนึกถึงสถานที่ที่เคยไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆมันคืออะไรคะก็คือความผูกพันความเคยชินเวลาเราเคยทำอะไรพอถึงเวลานั้นมันก็อยากจะทำเหมือนกับการดื่มกาแฟเนี่ยเราเคยดื่มเวลาไหนพอถึงเวลานั้นมันก็อยากจะดื่มถ้าเราอยากจะตัดความผูกพันนั้นก็หยุดดื่ม ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะลืมไปข้อที่สองดิฉันจะสร้างบ้านโดยถมที่ไว้แล้วญาติบอกว่าควรจะสร้างหลังจากถมที่หนึ่งปีคือหลังออกพรรษา แถวบ้านมันิยมสร้างบ้านช่วงเข้าพรรษาโบราณเขาถือมันเป็นช่วงหน้าฝนแต่สามีบอกว่าไม่จําเป็นจะเข้าจะออกพรนสาดิฉันไม่รู้จะอธิบายเขายังไงและความเชื่อของดิฉันถูกหรือผิดคะคือความเชื่อทางโบราณนี่เข้าคงจะมีเหตุผลของเขาเพราะว่าบ้านที่เราไปปลูกใหม่ดินถ้ามันเป็นดินถมหรือดินที่มันไม่แน่นก็ควรจะรอให้ฝนตกครับ สักฤดูหนึ่งดินมันจะได้แน่นแล้วปลูกบ้านมันจะได้ไม่ล้มอันนี้ก็เป็นเหตุผลทางวิศะวะกรรมส่วนเรื่องเข้าพรรษาไม่ออกพรรษานี่มันไม่เกี่ยวกันพอดีมันเป็นช่วงที่ฝนเป็นเป็นช่วงฤดูฝนเท่านั้นเองถ้าจะเกี่ยวก็คือสำหรับพระนี่เกี่ยวที่วัดอย่างวัดป่าบ้านตานี่หลวงตาท่านจะไม่ให้มีการก่อสร้างในช่วงเข้าพรรษา เพราะช่วงนั้นท่านจากจะให้เน้นการศึกษาการปฏิบัติเป็นหลักถ้ามีการก่อสร้างมันจะมารบกวนกันแล้วก็จะไม่ได้ศึกษาปฏิบัติกันอย่างเต็มที่คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ดิฉันนั่งอ่านหนังสืออยู่อยู่ดีๆก็มีความรู้สึกเหมือนภาพซูมเข้ามามีความรู้สึกชัดมากมีความสว่างและรู้สึกตัวมาก ประมาณหวินาทีแล้วก็หายไปอาการแบบนี้เรียกว่ามีสติหรือมีสมาธิคะก็มีทั้งสองอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธิคือจิตสงบเข้าไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบอย่างเต็มที่แต่ก็ถือว่าเป็นความสงบได้เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณวิไลลักษ์ปฏิบัติทั้งจเจริญสติและนั่งสมาธิทุกวัน ความทุกข์น้อยลงอยู่อย่างสมถะได้เดิมเห็นรูปนามอื่นเป็นทุกข์จะสงสารเดี๋ยวนี้เมื่อผาสสะแล้วจิตไม่เคลื่อนตามเข้าใจที่มาที่ไปของสังขารจิตจะอุเบกขามากกว่าเดิมไม่วุ่นวายอยากช่วยเหลือเหมือนเก่าแต่ถ้ามีโอกาสช่วยก็ทำทำทานอยู่เป็นนิสสภาวะจิตที่เป็นถูกต้องตามธรรมหรือไม่คะถูกต้องแล้ว ถ้าจิตสงบแล้วจะปราศจากอารมณ์แม้การอยากจะทำบุญก็จะไม่ทำด้วยอารมณ์ทำจะทำด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำคำถามต่อไปจากคุณวราราัตนนั่งสมาธิจะท่องพุทโธให้ใจจับอยู่ที่คำว่าพุทโธนั่งไปรู้สึกตัวชาข้างหนึ่งแป๊บๆก็หายไปเห็นแสงสีขาวกับดำวิ่งไปมา ท่องพุโทโธไม่สนใจในสิ่งที่เห็นแสงสีดำก็หายไปเหลือแต่แสงสีขาวนิ่งอยู่พักก็เนบชาที่ขาและหัวเขา่าใจหนึ่งก็อยากขยับไม่ทนแต่ก็อดทนสู้และท่องพุโทโธต่อแล้วก็รู้สึกคันยิบยิบที่จมูกใบหน้าก็อยากปาดแต่ใจก็บอกว่าสิ่งนี้กำลังทดสอบเราถ้าเราทนได้มันก็จะหายไปและคอยจับจิต ร่างกายไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกตามจิตให้ทันจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรถึงจะทำให้มีการพัฒนาจิตขึ้นไปอีกคะคือไม่ควรที่จะไปตามจิตในตอนนั้นนะไม่ควรจะไปดูร่างกายในตอนนั้นควรจะบริกรรมพุทโธต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ก็ตามจะเป็นแสงเป็นสีหรือจะเป็นความรู้สึกต่างๆของทางร่างกาย ไม่ควรไปให้ความสำคัญไม่ควรไปสนใจคนสนใจอยู่กับคำบริกรรมเพลงอย่างเดียวแล้วต่อไปคำบริกรรมนี้จะพาจิตเข้าไปสู่ความว่างที่ปราศจากสิ่งต่างๆคำถามต่อไปจากคุณไทยแมสเยอมโยมเริ่มปฏิบัติธรรมจากการอ่านหนังสือของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันท่านสอนให้สวดอิติปิโสและดูยุบ พ, พองที่ท้อง จึงเล่มต้นด้วยสวดอิติปิโสสักพักรู้สึกกายเริ่มเบาลอยวูบสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ตกใจไม่กล้าสวดต่อวันต่อมาลองนอนแล้วก็กำหนดดูการพองยุบของท้องสักพกรู้สึกบูบไปแล้วมารู้สึกรู้สึกว่ายือนอยู่มองไปที่เตียงที่ตัวเองนอนภาวนาอยู่ตกใจก็รู้สึกตัวตื่นขึ้น มั่นใจว่าไม่ได้หลบับช่วงนั้นไม่กล้าสวดมนต์หรือภาวนาอีกเลยรู้สึกกลัวผิดพลาดในการปฏิบัติคิดว่าต้องไปหาครูบาอาจารย์กราบเรียนถามว่าเหตุใดจิตของโยมจึงเป็นเช่นนั้นคะเพราะจิตไม่ได้อยู่กับพุทโธพอจิตพุทโธได้สักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดพุทโธ จิตก็อาจจะออกไปแสดงอาการต่างๆที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้ามีพุทโธมีสติอยู่มันจะไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาฉั้นพยายามพุทโธไปแสดงว่าสติเรามันมีกำลังอ่อนพอพุทโธไปได้สัระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดกำลังปล่อยให้จิตแสดงอะไรต่างๆออกมาให้เรารับรู้ถ้ามีสติก็รับรู้ไปหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปก็แล้วกัน เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรอยากไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ถูกแต่มันไปเป็นผลที่เราต้องการจากการภาวนาผลที่เราต้องการจากการภาวนานั่งสมาธิก็เพื่อทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นสักตะวรุเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นเราไม่ควรที่จะหยุดภาวนาควรจะภาวนาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยหรือโดโมเนื้ ดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะวุบมันตกลุมตกบอ่อตกเหวลงไปแล้วก็นิ่งอย่างนั้นถึงจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันคำถามหมดแล้วเหรอคำถามไปเลยถามมาแม่ชีฝากถามเขาอะ แ, แม่ชีคนไหน <laughs> แม่ชีกันคะ่ะแ ม, แม่ชีฝากถามเขาว่าตอนภาวนาอยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวว่าย้อนกลับไปว่าตัวเองเคยทํากรรมทําอะไรไว้บ้างแล้วก็รู้สึกว่ากลัววิบากนั้นจะตามมาพอเกิดความกลัวแล้วก็รู้สึกว่าการบวชเนี้ยเป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่จะข้ามหลุมหลุมหลบภัยที่ เคยทำอะไรไว้หลุมหลบภัยจากวิบากแล้ไม่ชีฝากถามว่าคิดอย่างนี้คิดถูกไหมก็ต้องดูพระองคุลิมานเป็นตัวอย่างองคุลิมานก็ฆ่าคนมา99้าร้อยกกคน็ถ้าเร่งปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้กรรมต่างๆก็จะตามไม่ทันหรือเข้าไม่ถึงจิตถ้ายังไม่เข้าถึงขั้นอริยเจ้าก็ยังจะต้องพ เจอภัยอยู่แม้แต่เป็นผ้าอรหันก็เจอแต่เป็นภัยข้างนอกคือไม่ใช่เป็นภัยข้างในวิบากกรรมที่จะเกิดกับใจนี้หมดถ้าได้เป็นผ้าอรหันคือใจจะไม่มีความทุกข์กับวิบากกรรมต่างๆถึงแม้ว่าร่างกายจะถูกเขาโยนก้อนหินเพียงใส่โดนเขาจับไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจได้หลุดพ้นจาก การยึดติดกับร่างกายแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เหมือนกับเกิดขึ้นกับร่างกายของคนอื่นใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนด้วยยิ่งนั้นถ้าวิบากถ้าวิตกกังวลเรื่องก็วิบากก็รีบภาวนาให้มากๆพยายามพิจารณาทําให้มากๆเพื่อจะได้ตรงจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ เมื่อปล่อยได้แล้วทีนี้ใครจะมาทาร้ายร่างกายก็จะเชิญเลยเอาไปเลยอยากจะได้ทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรหมชได้เลยแล้วก็การที่คิดว่าการบวชเป็นหลุมหลบภัยนี่คิดถูกไหมคะคือการบวชเป็นเหมือนการไปโรงพยาบาลมากกว่าไปรักษาโรคใจโรคความหวาดกลัวถ้าถ้าถ้าบวชแล้วเดี๋ยวรักษาต่อไปความหวาดกลัวจะไม่มีอยู่ในใจ ก็แม่ชีฝากถามอีกว่าก่อนหน้านี้ก็คือกินเววันเว้นวันวันนี้อยู่อดแล้วก็อีกวันหนึ่งก็กินแต่พอวันที่จะรู้ว่าจะได้กินเหมือนมีความรู้สึกว่ากินเลทมันตื่นเต้นแล้วมันก็รู้สึกอยากกินทุกอย่างแล้วก็กินเยอะมากทีนี้ก็มาปรับใหม่ค่ะว่ากินทุกวันแต่ปรากฏว่าปริมาณที่กินมันรู้สึกว่าเหมือนมันรู้ว่าต้องกินทุกวันมันก็กินน้อยลง แล้วก็ทำให้ปริมาณของอาหารที่จะกินต่อครั้งถ้าเทียบกับวันที่กินกับวันเว้นวันแล้วก็คือลดลงก็ตอนนี้ก็ทำให้น้ำหนักลดลงเพราะแม่ชีบอกว่าเหมือนพระอาจารย์บอกว่าเป็นชีเป็นพระต้องผอมไม่ใช่เป็นช้างเป็นควายต้องอ้วนแบบนี้ถูกไหมชีพี่เงนี่ถูกั้ยคือถ้าจะอดนี่อดเพื่อดัดความอยาก ถ้ามันยังอยากอยู่อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกมาอดต่อไปอย่างหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวดใหม่ๆท่านบอกล้างบาทไม่ทันเสร็จเช็ดบาทไม่ทันแห้งอยากกินอีกแล้วหลวงตาบอกถ้ามันอย่ากนี้ต้องไม่กินสามวันท่านก็เลยอดสามวันต่อไปมันก็ไม่กล้าอยากเอย่างงที่การอดนี่เพื่อดัดสันดานความอยากถ้า เรากินวันเว้นวันแล้วพอถึงวันจะกินเกิดความอยากขึ้นมาแล้วกินอย่างแบบไม่มีขอบมีเขตก็คราวหน้าก็ต้องต้องอดต่ออย่าอย่าออกมากินอดจนกว่ามันจะไม่อยากกินแล้วถึงจะค่อยออกมากินแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากกินมันจะกินด้วยความจำเป็นแล้วเวลากินก็ต้องคลุกมันเข้าไปเอาใส่ชามใส่กาละมัง ของทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี่เทมันเข้าไปในกาละมังแล้วก็คนมันคุกมันเหมือนกับอาหารที่เข้าไปในท้องนั่น่ะเพราะต่อไปมันก็จะต้องไปรวมกันในท้องใช่ไหมเรากินเพื่อท้องเราไม่ได้กินเพื่อความอยากอ่างนั้นเราเราต้องคุกให้มันเหมือนกับของที่มันจะเข้าไปอยู่ในท้องกาแฟก็ใส่เข้าไปในข้าว ไขไ่แพตแกงก็ใส่เข้าไปในข้าวเอของหวงของหวานอะไรก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็คนมันคุกมันแล้วก็ตักกินเข้าไปถ้ากินแบบนี้กิเลสมันจะตายหมดนแต่ว่ามันจะได้สองอย่างก็คือหนึ่งไม่งงใช่ไม้คะกับสองก็คืออาหารมันก็จะไม่มีความอยากในอาหารต่อไปจะไม่มีปัญหาเรื่องรับประทานอาหาหร ข้าวเปล่าก็อร่อยถ้าลองอดข้าวสักสาวันดูเนยะข้าวคุกน้ําปลาก็อร่อยแล้วก็ข้อสุดท้ายแม่ชีบอกว่าพระอาจารย์ให้ให้อยู่กับทุกขเวทนาก็บอกว่ามีอาการอะไรจากการอดบ้างหรือว่าภาวนาเยอะบ้าง อ, อะไรก็ก็จะทนทีนี้เวลานั่งก็มีความรู้สึกว่าพออยู่กับตัวเองมากขึ้นได้นั่งมากขึ้นก็มีความทนทนทุกขเวทนาได้มากขึ้นแต่ว่ามัน มันไม่ได้ผ่านไปสัทีเดียวแต่ว่ามันเค ย, ยับขึ้นทีละเลเวลเลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อไปก็พยายามนั่งให้มากๆนั่งให้นานๆแล้วก็ถ้าจะเดินก็เดินให้มันนานๆเดินให้มันมากๆ <c oughs> คือดัดความอยากเวลาเดินก็อยากจะนั่งก็อย่าเพิ่งนั่งเวลานั่งก็อยากจะเดินก็อย่าเพิ่งเดินนั่งไปจนกว่าจะไม่อยากเดินแล้วค่อยเดินแล้วเดินไปจนกว่าไม่อยากจะนั่งแล้วค่อยนั่งดัดมันดัดความอยากส <c oughs> ู้กับความอยากไป โดยจะลองวิธีที่นั่งแบบสบายสบายก็ได้แต่นั่งให้นานนั่งสักหชั่วโมง8ดชั่วโมงไม่ต้องไปทําอะไรดัดความอยากที่จะไปทำํนทำนู่นทํานี่ให้นั่งเฉยแต่ไม่ต้องทนไม่ต้องทํำมาล่างกายไม่ต้องนั่งขัดสมาด์นั่งขอบเตียงก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่ไม่ให้ลุกไปไหนนอกจากถ้าเมื่อยอยากจะลุกขึ้นมายืนก็ยืนตรงตรงข้างๆเก้าอี้ก็ได้ถ้าจะให้ไปก็ไปเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำเท่านั้น ส่วนน้ำเดินได้หิวก็มาตั้งไว้ข้างๆแล้วก็ดื่ม น, น้ําเปล่าๆอย่าไปดื่ม น, น้ําที่มีรสมีชาเช่นน้ํากาแฟใส่ในกระติกไว้ใส่กระติกอ น, นอนๆอย่าไปทำเอาน้ํำเปล่ า, ลากินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อกิเลสตัณหาแล้วต่อไปการการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าเพราะเราจะต้องสร้างสภาพเอ ให้ให้มันมีเกิดความทุกข์เกิดความอยากแล้วเราจะได้บีบความอยากให้ออกเหมือนกับน้องเราต้องบีบน้องต้องรอให้หน้องมันเอมันมันโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็บีบมันออกไปถ้าเราเยือกสุขอย่างสบายทําะไรตามความอยากมันก็จะไม่มีไม่มีอะไรให้เรามาทำํำไม่มีศัตรูเพราะความอยากจะกลายเป็นมิตรของเราไป แล้วมันก็จะพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายพาเราไปหาความทุกข์ต่อไปหมดแล้วใช่ไหมคำถามมีใครอยากจะถามอีกไหมมาข้างหลัง กลับมาพการพระอาจารย์ค่ะพอดีเมื่อกี้ที่ฟังเทศพระอาจารย์ก็เลยนึกคำถามขึ้นมาได้อะค่ะคือเคยปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมานะคะแล้วก็พยายามเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิแต่ด้วยไม่แน่าจสรีระของตัวเองหรือเปล่าคือพอทํำไปสักสองสามวันจะเริ่มปวดบวดฝ่าเท้ามากอะคะ่ะแล้วก็นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แล้วก็เดินก็รู้สึกมันทรมานมากก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นท่าที่ฟังจากพระอาจารย์ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็คือ ให้นั่งบนเตียงอย่างที่พระอาจารย์บอกได้ใช่ไหมคะให้พยาฝึกตรงนั้นไปแทนจังกว่าร่างกายจะพร้อมใช่งแต่ต้องนั่งนานๆเพื่อท ร, รมานความอยากสู้กับความอยากปกติใจเราจะไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆต้องมีอ น, นุนธรรมต้องมีอันนี้ทาหรือไม่ก็ต้องเดินไปตรงนั้นเดินมาตรงนี้เราก็จะปราบไอตัวนี้ก่อน ค, คือนั่งมันเฉย ๆ, น, น, ฉยๆนอกจากมีเหตุมีผลให้ไปเช่นเข้าห้องน้าเท่านั้นถึงจะไปได้ ถ้าไม่มีเมีผลก็นั่งต่อไปดังนั้นจนกว่าเวลาที่เรากำหนดไว้จะครบเช่นห้าชั่วโมงหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงนั่งมันไปายาวๆเลยอ่านหนังสือธรรมาได้ไหมคบไม่เอาเเอะไรนอกจากจะพุทธโธก็ได้พิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณาตายรักก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มันใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในใจของเราเป็นที่เป็นเครื่องมือ อย่าไปอาศัยเครื่องมือภายนอกเพราะเครื่องมือภายนอกมันไม่แน่นอนเดี๋ยวหนังสือหายก็ได้ห ร, หรือตาบอดอ่านไม่ได้ให้เอาภายในดีกว่าเอาเครื่องมือภายในใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิสามตัวนี้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับตัรหาความอยากกับตุ้นะคะ่ะจะมาถามได้นะเดี๋ยวเปิดนมาแล้วไม่ให้ถามนะ <c oughs> <c oughs> เอยังงั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ